ยาซีเรียตเรื่องหมาไล่เนื้อมีพระองค์หนึ่งชอบทำอะไรแปลกๆวันหนึ่งพวกกรุงเทพ เอากระถินไปทอดที่วัดจัดงานกันใหญ่โตมีหนังมีลิเกมีดนตรีผู้คนแห่กันมามืดฟ้ามัวดินเลยก่อนทอดกระถินผู้คนมารวมกันเต็มศาลาหลวงพ่อเรียกเด็กวัดมาบอกให้ไปเอาเนื้อจากโรงครัวมาก้อนหนึ่งแล้วเอาเชือกมาด้วยหลวงพ่อจัดการเอาเนื้อ ผูกติดกับหลังหมาผูกเสร็จก็ปล่อยหมาหมาเห็นเนื้ออยู่บนหลังก็ไล่งับพอหัวโดดงับตัวก็ขยับหนีเพราะหมามันกัดหลังตัวเองไม่ถึงยิ่งโดดงับเร็วก่อนเนื้อมันก็หนีเร็วโดดไม่หยุดเนื้อก็หนีไม่หยุดน่าสงสารหมามากหมาโดดอยู่นาน งับเท่าไรเนื้อก็ไม่เข้าปากสักทีผู้คนบนสาราพากันหัวเราะชอบใจหัวเราะเยาะหมาว่าทำไมมันถึงโง่อย่างนี้ไล่งับจะกินเนื้อที่ตัวเองไม่มีทางไล่ตามทันตลอดชีวิตหลวงพ่อมองดูด้วยความสนุกสนานจนหนำใจแล้วก็แก้เชือกออกจากหลังหมา แล้วก็หันมาพูดกับญาติโยมว่ามนุษย์เรามีความรู้สึกว่าตัวเองพร่องตัวเองยังไม่เต็มต้องเติมตลอดเวลาเติมไม่หยุดเพื่อให้ตัวเองเต็มเราอยากสวยอยากทันสมัยไปหาซื้อเสื้อผ้าที่สวยที่สุดทันสมัยที่สุดมาใส่ ดีใจได้เดือนเดียวมีรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วสวยกว่าทัานสมัยกว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ซื้อเสร็จสามเดือนรุ่นใหม่โผล่มาอีกแล้วซื้อคอมพิวเตอร์ทันสมัยที่สุดสองเดือนต่อมามีรุ่นใหม่กว่าออกมาของเราตกรุ่น ซื้อรถเ้นซ์ทันสมัยที่สุดแพงมากขับได้หกเดือนมีรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วทันสมัยกว่าแพงกว่าของเรากลายเป็นเชยเราต้องก้มหน้าก้มตาทำงานทั้งวันทั้งคืนหาเงินมาเพื่อมาทำให้ตัวเองทันสมัยซื้อเสื้อผ้าใหม่ มือถือใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่รถยนต์คันใหม่เน็ตเหนื่อยแสนสาหาัสเพื่อไม่ให้ตัวเองตกรุ่นปัจจุบันเรากำลังไล่งับความทันสมัยเหมือนหมาที่ไล่งับเนื้อบนหลังของมันทั้งที่รู้ว่าต่อให้ไล่งับทั้งชีวิตก็ไม่มีทางตามทัน น่าสงสารไม่ยโยมคนเต็มสาลาเมื่อกี้หัวเราะคลึกครืน้นด่าว่าหมามันโง่ตอนนี้เงียบสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่ไม่รู้ว่ากำลังสงสารหมาหรือกำลังทบทวนความโง่ของตัวเอง